ช่วงนี้พวกเราคงได้ติดตามข่าวๆเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคหวัดโควิด -19 ซึ่งตอนนี้อยู่ขั้นที่สามขั้นที่จะระบาดกันระหว่างคนในประเทศคนในไม่ต้อง มีคนพาเชื้อมาจากต่างประเทศแล้วเพราะมีเชื้ออยู่ในประเทศที่จะมาแบ่งกันแชร์กันนะเห็นทางที่ดีครัน้นี้เขาแนะนำให้อย่าออกนอกบ้านให้อยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยอย่าไปรับเชื้อโรคเพราะไม่รู้ว่าใครติดใครมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้าง อย่าไปในที่ชุมชุมนุมที่มีคนมากๆเช่นโรงภาพยนตร์โรงรละครสนามกีฬาบางประเทศเขาปิดหมดนะประเทศอิตาลีตอนนี้ปิดปิดร้านอาหารปิดอะไรหมดเพราะเขาต้องควบคุมให้ได้ไม่ให้มันแพร่ระบาดเพราะมันแพร่ระบาดแล้วจะทำให้คนป่วยมาก แล้วโรงพยาบาลจะไม่มีกำลังที่จะมารับคนคนป่วยถึงกับต้องแยกคนว่าจะรักษาคนไหนไม่รักษาคนไหนเหมือนในช่วงสงครามคนไหนรักษาแล้วโอกาสรอ ด, รอดมีน้อยเขาก็ไม่รักษาเขาจะรักษาแต่คนที่มีโอกาส รอดมากกว่ามีอายุน้อยกว่าคนที่แก่ใกล้ตายแล้วเขาก็บอกว่ารักษาไปเดี๋ยวก็ไม่กี่วันก็ตายเขาก็นไม่รักษาเห็นวิธีที่จะป้องกันไม่ให้มันทำให้ระบบของการรักษาพยาบาลมันรับไม่ไหวก็ต้องพยายามลดการติดเชื้อ การจะลดการติดเชื้อก็ต้องอยู่ห่างกันอยู่ใกล้กันอย่าอยู่ใกล้กันโดยเฉพาะคนแปลกหน้าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันไม่เป็นปัญหาเพราะถ้าติดก็ติดกันแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคนแปลกหน้าคนที่เราไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเพื่อลดการแพร่กรขยาย การติดเชื้อ <niño> ก <sharing> ็เลยห้ามไม่ให้คนออกนอกบ้านที่สารัฐเดี๋ยวนี้ก็ห้ามวัดต่างๆโบสถ์ต่างๆปิดหมดไม่ให้คนไปโบทถ์เดี๋ยวนี้เขาบูชาทางอินเทอร์เน็ตกันเดี๋ยวนี้แค่ตลิในโบสถ์ก็มีสถานีออนไลน์ให้พระเทศอย่างตอนนี้ แล้วญาติโยมที่อยากจะทำบูชากิจจวัตรของศาสนาก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูกันบูชากันแบบนั้นตอนนี้ต้องแยกกันอย่าอยู่ใกล้กันเพราะเราอยากไปติดเชื่อดีกว่าภาร ก, กิจต่างๆที่สำคัญขนาดไหนตอนนี้ทั้งงดได้ก็ควรงดไปก่อน พราะาภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโลกนี้เป็นภารกิจที่สําคัญอย่างมากอที่เราจะต้องมาช่วยกันมาลดการแพร่ระบาดของโลกนี้อออย่างประเทศจีนเขาปิดเมืองเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ประเทศจีนเขาบอกว่าคนติดเชื้อมีแค่คนเดียวเมื่อวานนี้มี เพราะเขาคุมหมดเขาคุมหมดเขากักตัวคนกลเป็นโรคนี่เขาแยากจับไปอยู่ศูนย์ของคนเป็นโรคเลยไม่ให้อยู่กับคนที่ไม่เป็นโรคเพื่อที่จะได้ไม่ไปแพร่ขยายให้กับคนอื่นทางประเทศเราก็ยังอาจจะไม่ได้ออกกฎหมายหรือคำสั่งบังคับ แต่พวกเราก็ควรใช้สติใช้ปัญญากันไม่ต้องรอให้เขามาบอกเราเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อความปลอดไปเราก็ควรจะทำกันอย่างนั้นพยายามอยู่บ้านถ้าจะออกนอกบ้านก็เฉพาะซื้ออาหารซื้อยาเสื้ออะไรที่จำเป็น อย่าไปอยู่ใกล้เดีย๋ยวนี้เขาบอกว่าเวลาเจอคนนี่ต้องอยู่ห่างกันสองเมตรหกฟุตเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันกระจายเวลาพูดเวลาหายใจออกมาในมีเชื้อโรคกระจายออกมาด้วยถ้าอยู่ใกล้มันก็จะไปติดเสื้อผ้าติดอะไรติดมือแล้วเดี๋ยวมือเราก็เราก็หยิบของกินกัน มันก็เข้าไปในร่างกายเราการึงบอกให้คอยเช็ดมือให้สะอาดอยู่เรื่อยๆก่อนจะกินอะไรก่อนจะเอาอะไรเข้าปากก่อนจะเอามือแตะหน้านี่ถามตัวเองก่อนว่าเช็ดด้วยอยังล้างหรืยอยังเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันได้ที่จะช่วยทำให้อ่ การระบาดของโลกนี้ลดลงได้และไม่แพร่ขยายแล้หมดไปได้แต่เราต้องเสียสละกันตอนนี้เราต้องอยู่แบบพระกันอยู่วัดพระอยู่บ้านโยมก็อยู่บ้านพระก็อยู่วัดกันตอนนี้ไม่ควรที่จะมาวัดทำบุญทำได้ก็ใส่ใส่บาตร พร้มพายัางต้องกินอยู่พาก็ต้องไปบินธบาตแต่บินธบาตมันไม่ได้อยู่ที่เดียวมันยาวเป็นแถวยาวคนก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันคนที่อยู่ใกล้กันก็เป็นพวกเดียวกันเะฉนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็ก็ยากกว่าการที่ไปนั่งอยู่ในศาลาราลวมกัน อยู่ในโบทถ์รวมกันไปนั่งไหว้พ้าสดมนนั่งสมาธิใกล้กันก็มีโอกาสที่จะแพร่โรคได้ที่นี่ก็เหมือนกันมาฟังเทศสังธรรมก็ฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ทีมงานยังสบายกันดีอยู่ยังไม่เป็นยังไม่ติดเชื้อ เขาก็จะมาช่วยกันถ่ายทอดสดต่อไปไม่ต้องมาที่วัดจะดีกว่าช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยฟังธรรมที่บ้านได้นั่งสมาธิฟังไปที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ไหนก็ได้ที่นี่ก็ได้ที่บ้านก็ได้ฉะั้นตอนนี้เราต้องปรับพฤติกรรมของพวกเรา ให้มันทันกับเหตุการณ์อย่าอย่าไปประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะไม่ติดไม่มีใครรู้ว่าใครจะติดไม่ติดถ้าไม่ออกไปนอกบ้านไม่ไปเจอคนแปลกหน้าโอกาสจะติดมันน้อยถ้าคนในบ้านไม่มีใครติดแต่ถ้าออกไปนอกบ้านเดี๋ยวไปเจอคนอื่น เราไม่รู้ว่าเขาติดมาแล้วหรื อ, อยังโชคดีโรงเรียนของเราปิดเทอมพอดีเด็กก็เลยไม่ต้องไปแต่โรงเรียนนานาชาติได้ข่าวว่าเขาให้ปิดหมดแล้วเด็กข็ไม่ให้ไปโรงเรียนกันแล้วเพราะกลัวเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็คนที่มีเชื้อก็จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ อ น, นี่เป็นเหตุการณ์เหมือนสงครามโลกนะตอนนี้คิดว่าคนอาจจะตายมากกว่าในสงครามโลกแต่และประเทศนี่เขาเปิดกันหมดนะให้อยู่บ้านกันออกมาได้เฉพาะมาซื้ออาหารซื้อยาซื้อสิ่งจำเป็นร้านอาหารดย๋ยวนี้ก็ต้องปรับจาก การไปนั่งกินในร้านอาหารเป็นการส่งหรือเป็นการคิวกลับบ้านไปที่ร้านอาหาร take o u t order แล้วก็คิวกลับบ้านไปกินกันหรือไม่นั้นก็สั่งผ่านทางโทรศัพท์ให้คนไปส่งให้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันจะทําให้โรคมันติดกันง่ายแล้วมันจะแพร่ขยาย วงกว้างจนจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าที่โรงพยาบาลจะรับไปรักษาได้โรงพยาบาลเขาก็ต้องเลือกคนคนไหนดูว่าสภาพเป็นยังไงสุดหนักไหมรักษาไหวไหมคนไหนรักษาไม่ไหวเขาก็เขาก็ไม่รักษารักษาแต่คนที่คิดว่า รักษาให้หายได้อันนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นมาดูแต่ข่าวของสงครามโลกดูแต่ข่าวของสงครามของประเทศอื่นว่าเขาอยู่กันอย่างไรทุกข์ยากลาบากอย่างไรของพวกเราถ้าเราไม่ระวังถ้าเราประมาทน ถ้าเราไม่รีบป้องกันตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะไปอยู่ในสภาพนั้นก็ได้เมื่อมีคนป่วยมากๆคนก็จะตกงานกันมากระบบเศรษฐกษิจอะไรต่างๆก็จะหยุดชะงักกันต่อไปอาหารอาจจะขาดแคลนก็ได้ตอนนี้เริ่มมีการกักตุนกันนะคนกลัว ไปซื้ออาหารที่สาราในในร้านนี้มีแต่ชั้นไม่มีของคนกลับกลัวว่าจะไม่มีอาหารกินกันแล้วเขาก็แนะนำด้วยว่าควรจะมีอาหารเตรียมไว้อย่างน้อยสองอาทิตย์เผื่อเวลาที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านไปซื้ออาหารได้ก็ควรจะมีอาหารไว้กินสักสองอาทิตย์ มีอาหารมีน้ำของคนไทยเราก็ข้าวสารมามา่าปลากระป๋องน้ำเดิมยาที่จำเป็นที่ต้องใช้ประจำยาประจำตัวใครมีโรคอะไรประจำตัวก็ไปข อ, อยาเพิ่มจากหมอเผื่อไว้ที่ต้องกินเป็นประจำพยายามงดการที่จะต้องไปพบปะ คนในที่ชุมชนถ้าอยู่ในที่ชุมชนก็พยายามอยู่ห่างกันเขาเดี๋ยวนี้บังคับเวลาเยืนเข้าแถวนี่ให้ห่างกันสองเมตรไม่เข้าไม่ให้กล้กันแล้วก็พยายามติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆข่าวก็ต้องบริโภคแบบมีสติด้วยเพราะข่าวบางทีมันก็ข่าวโครมลอยก็มี ข่าวหลอกข่าวลวงก็มีเพราังต้องฟังหลายๆหลายๆด้านฟังข่าวของรัฐบาลฟังข่าวของสถานีโทรทัศน์ฟังข่าวต่างประเทศบ้างก็ได้จะได้มีอะไรมาเปรียบเทียบมาทดสอบดูว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวปลอม แต่ก็สำคัญว่าให้มีสติให้ตั้งอยู่ในความสงบพยายามอยู่เฉยๆอย่าไปเติมตนกอย่าไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนให้ต่อกันละกันไม่เกิดประโยชน์แย่งกันทุบตีกันทําร้ายกันข่าวที่อเมริกาบอกว่าตอนนี้อาวุธปืนขายดิบขายดี คนกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปไม่มีอาหารกินะ จ, จะมาป้นมาจี้กันนเร็ต้องเตรียมอาวุธป้องกันกันเพราะคนเราเมื่อมันถึงขั้นวิกฤตขั้นที่อดอยากขาดแคลนก็จะต้องมีการแย่งกันคนที่มีอาวุธก็สามารถข่มขู่คนที่ไม่มีอาวุธได้ แต่เราเราใช้ธรรมะดีกว่าเราใช้ความเมตตาถ้ามีการแบ่งพอจะแบ่งปันให้กันได้ก็แบ่งปันกันไปให้เรามีสติอย่าเบียดเบียนกันพยายามฝึกสติพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยให้ใจนิ่งให้ใจสบายให้ใจเป็นอุเบกขา ศักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ฉังไม่กลัวไม่หลงเนี่ยตัวนี้สำคัญไม่กลัวเลยไม่หลงตอนนี้เราจะกลัวกันมากถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่มีอุเบกขานี่มันอะไรมันจะเป็นแบบกระต่ายตื่นตูมไปจะมีความหวาดกลัววิตกกังวลกลายเป็นโรคประสาทไปได้ถ้าไม่ระวัง แล้วก็จะไปทำให้คนอื่นคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องเดือดร้อนด้วยพยายามฝึกความสงบไว้ให้ดีที่สุดเรื่องทางจิตใจนี้ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ศีลและธรรมอย่าเบียดเบียนกันอย่าฆ่าฟันกันอย่าลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่ากโกหกหลอกลวง และอบายามุขต่างๆตอนนี้อย่าดื่มสุราอยา่าเมาอย่าแ ก, าคาก้ความเครียดความกลัวด้วยการดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดเหมือนเป็นการแก้ชั่วคราวดื่มสุราเมาแล้วก็ก็อาจจะลืมเรื่องต่างๆไปชั่วคราวเดี๋ยวพอหายเมาแล้วก็เกิดความยึตกเกิดความเครียดขึ้นมาใหม่ ให้มาแก้ด้วยการใช้สตินั่งสมาธิเดินจงกรมคนะวบคุมใจให้นิ่งให้สงบนะแล้วก็ใช้ปัญญาพิ จ, จารณาความเป็นจริงของชีวิตนะพระพุทธเจ้าบอกชีวิตของเราเกิดมาแล้วนะย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาเนะรื่องพ้นความแก่ไปไม่ได้นะนะย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะ ร่วงพ้นไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ยพยายามพิจารณาเตือนใจสอนใจเพื่อจะได้ปลงเสียว่าจะเป็นก็เป็นวะจะเป็นไปไปเครียดไปวิตกไปเป็นโรกประสาททรไม ถ้ามันจะเป็นแต่เราก็ป้องกันให้ดีที่สุดพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดถ้าเป็นเราก็ต้องแยกตัวเราอย่าไปอยู่กับคนที่ไม่เป็นอย่าไปให้เขาต้องรับเชื้อจากเราก็หาที่อยู่ต่างหากไปอยู่กันห่างหาแล้วก็เนี่ยฝึกสติ พยายามนั่งสมาธิตอนนี้ไปไหนไม่ได้เป็นช่วงที่มีเวลาปฏิบัติกันงานก็ไปทำงานไม่ได้โรงเรียนเขาไปไม่ได้จะมีเวลาว่างคนที่ไม่เคยอยู่เฉยๆก็จะเครียดขึ้นมาการนียหัดเดินจงกรมหัดนั่งสมาธิหัดฟังเทศฟังธรรม่านหนังสือธรรมะ เพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติจิตใจให้สงบว่าทำอย่างไรทำให้จิตใจปล่อยวางได้อย่างไร็ต้วตอ น, ตนก็ต้องมีสติทำใจให้สงบพอมีความสงบในระดับที่มีอุเบกขาก็ใช้ปัญญาสอนใจสอนเรื่องที่ทำให้เราทุกข์กันตอนนี้คือเรื่องอะไร ก้าเรื่องโรคระบาดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยโลดอดอยากขาดแขนเนี mm ่ย hmm. เราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายของใครไม่เว้นคนรวยคนจน mm hmm. คนใหญ่คนไม่ใหญ่เนี mm ่ย hmm. มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันอ mm hmm. โรคที่มีก็เหมือนกัน mm hmm. โรคที่จะมีก็มีอยู่สามชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่งเป็นแล้วก็หายหเองไม่ต้องรักษาเช่นไข้หวัดธรรมดาถ้าไม่มียาไม่มีหมอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งกายมันก็ฆ่าเชื้อได้ฆ่าเชื้อหวัดได้ฆ่าเชื้อโรคได้โรคหวัดก็หายได้อันนี้คือโรคชนิดที่หนึ่งเป็นแล้วก็หายบางทีเจ็บท้องปวดท้องทักพักเดี๋ยวมันก็หาย บางทีปวดศีรษะสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายของมันเองนี่คือโรคชนิดที่หนึ่งเป็นแล้วหายเองทุกคนมีโรคชนิดนี้ด้วยกันโรคชนิดที่สองก็คือเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายเป็นโรคติดเชื้อนี่ต้องให้หมอให้ยาปฏิชีวนะมารับประทานกินยาแล้ว โรคที่เป็นก็หายไปแล้วโรคชนิดที่สามก็คือเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายจะหายก็ตอนนี้มันตายตอนนี้ตายนี้โรคทุกชนิดหายหมดในร่างกายมีโรค ก, กี่ชนิดโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจโรคอะไรพอหมดลมหายใจมันก็หายหมด หมอไม่รักษาเลยหมอไม่ต้องหมอไม่ต้องรักษาคนไข้คนนี้แล้วแล้วคนนี้หายหมดแล้วเอาเข้าตู้เก็บได้ส่งไปเราส่งไปวัดเพื่อให้เขาชาปนกิจต่อไปอนี้คือร่างกายของเรามันไม่ใช่ตัวเราเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายตามจริงมันก็เป็นตุ๊กาตาตัวหนึ่งที่เรามาเกาะมัน มาเล่นกับมันมาใช้มันให้มันพาเราไปเที่ยวไปหาความสุขต่างๆเราเป็นดวงวิญญาณไม่มีรูปหน้าหน้าตาเหมือนร่างกายแต่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดคือเราคือดวงวิญญาณจิตใจร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายเหมือนตุ๊กตาเหมือนต้นไม้ต้นไม้มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ย เอามีดไปฟันต้นไม้ต้นไม้มันไม่ร้องหะอแต่ถ้าเอามีดมาฟันคนนี่คนร้องแต่คนไม่ใช่ร่างกายที่ร้องจิตใจเนี่ยผู้ที่มารับรับรู้ความรู้สึกของทางร่างกายเป็นผู้ร้องเองแต่ร่างกายเขาไม่มีความรับรู้อะไรดังนั้นเราต้องมาสอนใจให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาดีๆนี่ทามาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปก็มีทั้งดินทั้งน้ำมีลมก็ลมหายใจที่เราหมหายใจเข้าออกน้ำที่เราดื่มกันอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นส่วนผสมของร่างกายไฟก็คือความร้อน ที่เรารับจากแสงแดดแสงอาทิตย์นี่แล้วก็ไฟที่เกิดจากการรับประทานอาหาร <appointment> เวลาได้อาหารเข้าไปในร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายร้อนขึ้นมาแล้วมันก็เป็นตัวที่รักษาอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้ไม่ให้เย็นสังเกตดูถ้าถ้าเคยไปแตะร่างคนตายเนี่ยจะรู้ว่า ร่างกายคนตายนี่เย็นกว่าร่างกายคนเป็นคนเป็นไปแตะร่างกายคนตายจะรู้สึกเอ๊ะทำไมร่างกายเขาเย็นนะเวลาไปแตะร่างกายคนที่ไม่ตายมันไม่เย็นนะ mm hmm. ก็เพราะว่าช่วงนั้นธาตุไฟมันเริ่มออกจากร่างกายไปแล้วเ mm hmm. หลือสามธาตุ้าตายใหม่ๆนี่ไปก่อนสองธาตุธาตุแรกไปก็คือธาตุลมเลย ลมหายใจหยุดหายใจไม่มีลมเข้าลมก็จะมีแต่ออกมาทางอา่ส่วนต่างๆของร่างกายที่ส่งเป็นกลิ่นออกมานี่ยมัก็ธาตุลมแล้วธาตุทิ้งว่าธาตุไฟก็เย็นหายไปร่างกายก็เย็นถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปมันก็ธาตุน้ำมันก็จะไหลออกมา ก่อนตายนี้ก็มักจะเอาสําลีไปอุดจมูกเ<ฮ>พราะมันจะมีน้ำไหลออกมาอยู่น<ฮ>้น้ำมันก็จะแยกออกมาลมไปก่อนนะตามด้วยไฟตามด้วยน้าเดี๋ยวก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดินส่วนที่จะแห้งกรอบทิ้งไว้มันก็จะผุพังกลายเป็นดินต่อไป ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวไข่จิตผู้มาเกาะติดก็แยกไปตั้งแต่หมดลมหายใจพอหยุดหายใจปัามจิตวิญญาณที่มาเกาะร่างกายก็แยกไปก่อนไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแล้วตอนนั้นตอนนั้นร่างกายใครจะไปทำอะไรมันไม่ร้องใช่ไหร่างกายของคนตายนี้เราเอาเข็มไปทิ้มมันดูเมันไม่สะดุง้งหรอก แต่ถ้ายังไม่ตายเรา เ, าเข็มไปซะทิ่มดูจะสะดุ้งขึ้นมาตัวที่สะดุ้งไม่ใช่ร่างกายนะก็คือตัวจิตวิญญาณเนี่ยตัวที่รับรู้ความเจ็บของร่างกายนะี่เป็นผู้สะดุ้งนะแต่พอร่างกายวดลมหายใจจิตวิญญาณก็แยกออกจากร่างกายไปพอไม่มีร่างกายแล้วจิตวิญญาณก็ต้องอาศัย บุญหรือบาปที่ทำไว้เนี่ยมาเป็นผู้ให้ให้มีอะไรให้ได้เสพได้สัมผัสเพราะจิตสองจิตวิญญาณของพวกเรานี่ติดรูปเสียงกลิ่นรสกันที่เรามามีร่างกายก็เพราะ เ, ร า, ะเราติดรูปเสียงกลิ่นรสต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย พอมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปดูไปฟังไปกินไปเดิม่มไปทำอะไรต่างๆนา mm hmm. การกระทานี้ก็อาจจะทำในสองรูปแบบ mm hmm. ทำโดยวิธีไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทำด้วยการทำบาป mm hmm. ก่อนที่จะ มีเงินทองได้ก็ต้องไปหาเงินทองถ้าไม่รู้จักวิธีหาเงินทองแบบไม่ทำบาปก็จะไปใช้วิธีทำบาปเป็นการหาเงินทองกันก็จะทำให้มีบาปสะสมอยู่ในใจบาปนี้เป็นความร้อนเป็นความทุกข์มีแต่เรื่องราวไม่ดีพ่าเวลาเราไปทำบาปเราจะทำแต่เรื่องที่ไม่ดี ไปรางแกคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับคนอื่นการกระทาที่เราทำนี้มันจะถูกบันทึกไว้ในใจเหมือนกล้องที่เราถ่ายวีดีโอเก็บไว้เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ถ่ายภาพกันบันทึกกัน พอเวลาเรากลับบ้านเรายังอยากไปเที่ยวอยู่เราก็ใส่ภาพที่เราไปเที่ยวมาดูแทนแก้เหงาไปพังๆก่อนช่วงที่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็ดูภาพเก่าไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเวลาตายไปไม่มีร่างกายไปหาภาพหารูปเสียงกิดลดมาให้ดูเราก็จะอาศัยภาพที่เราได้บันทึกไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ มาดูกันแทนถ้าเป็นภาพดีถ้าเราไปทำเรื่องที่ดีไปทำบุญทำประโยชน์ไปทำช่วยเหลือคนอื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็บันทึกภาพดีๆไว้เช่นไปร่วมงานมันเกิดร่วมงานบวชร่วมงานอะไรต่างๆไปแล้วก็ทำให้มีคนอื่นก็มีความสุขพอเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็จะอาศัย ภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราทำไว้ในขณะที่เรามีร่างกายนี้มาให้ความบันเทิงกับเราเพราะจิตของเรานี่มันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสหิวกับเหตุการณ์ต่างๆให้มันอยู่เฉยๆนิ่งๆงงงมันจะรู้สึกงดเย็นนะเพรยะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปเนี่ย จิตก็จะสายภาพที่ได้บันทึกเอาไว้ขึ้นอยู่ว่าไปบันทึกภาพชนิดไหนไว้ถ้าไปทําบุญก็บ บ, บันทึกภาพเหตุการณ์ที่ที่มีความสุขถ้าไปทําบาปก็จะบันทึกภาพเหตุการณ์ที่มีความทุกขมาให้รับรู้ให้ให้ชมกัน ช่วงที่ร่างไม่มีร่างกายจิตวิญญาณก็จะสายบุญบาปที่ได้ทำไว้เป็นตัวที่จะมาสร้างภาพสร้างเหตุการณ์ต่างๆให้ดูกันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปมีมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ที่จะฉายภาพให้ดูกัน แต่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้ฉายภาพของบาปให้ดูถ้าเป็นภาพของบุญก็จะเป็นเรื่องของความสุขเราก็เรียกว่าช่วงนั้นอยู่บนสวรรค์กันมีแต่ภาพเหตุการณ์ที่ดีๆมีความสุขช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ถ้าเกิดบาปมีกำลังมากกว่าบุญ มันก็จะมีแต่ภาพที่น่าทุกข์ยากลาบากมาให้ดูมีเรื่องเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันแก้งแย่งกันชิงดีกันอะไรต่างๆช่วงนั้นเราก็เรียกว่าจิตเป็นจิตที่อยู่ในอบายเป็นจิตประเภทเปรตบ้างถ้าทำบาปด้วยความหิวโหวยถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะบันทึกภาพที่ สร้างความหิวโหยตลอดเวลาถ้าทําบาปด้วยความกลัว mm. ก็จะมันทึกภาพที่น่ากลัวให้ดูให้เห็นถ้าทํำบาปด้วยก า, า, ารอาฆาตพยาบาท mm. ก็จะมีภาพที่มีแต่การจองเวรจองกรรมกันฆ่าฟันกันแก่งแย่งชิงดีกันให้ได้ดูได้ชม mm. mm. นี่คือช่วงที่จิตเวญญาณไม่มีร่างกาย ช่วงที่พวกเราไม่มีร่างกายเนี่ยพวกเราจะเป็นอย่างอย่างนี้เหมือนกับช่วงที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายตอนนั้นก็เหมือนคนตายตอนนั้นตอนที่เรานอนหลับเราก็สายภาพที่เราได้จากบุญและบาปเนี่ยมาให้เราได้เส็ได้สัมผัสเราเรียกภาพเหล่านี้ว่าความฝัน บางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายเพราะว่าช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นี่บุญกับบาปมันยังไม่ได้มามาแย่งกันมันแล้วแต่ว่าตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็มันก็แสดงออกมาถ้าเราฝันร้ายนี่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับจัญญาบ่งบอกว่า เรากําลังทําบาปมากกว่าทําบุญนะถ้าเรามุมีแต่ฝันร้ายอยู่เรื่อยๆสแสดงว่าเราทําบาปมากกว่าทําบุญถ้าเราฝันดีนี่สแสดงว่าเราทําบุญมากกว่าทําบาปการฝันนี่เป็นเหมือนการดูหนังตัวอย่างเพราะเรายังไม่ตายจริงเราตายชั่วคราวตายเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงเราก็เต่นขึ้ น, นมา แต่เวลาตายจริงนี่มันจะมันจะยาวมันจะดูหนังยาวเลยดูภาพยนตร์ยาวถ้าเป็นบาปก็ดูแต่เรื่องทุกเรื่องหน้าหวาดเสียวหวาดกลัวถ้าเป็นบุญก็มีแต่เรื่องสนุกสนานมีแต่เรื่องความสุขความสําราญต่างๆเนี่ยมันก็จะฉายภาพจนการ บ, บุญหรือบาปภาพของบุญหรือบาปหมดกำลังลง เราก็จะไปได้ร่างกายอันใหม่ได้ตุ๊กตาตัวใหม่พอพอ่อแม่ไปสร้างตุ๊กตาตัวใหม่ในท้องแม่จิตเวีย ญ, ญาณเข้ามาเกาะเลยมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอคลอดออกมาก็เริ่มสั่งการให้ร่างกายหารูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมาให้เสกทันที นี่คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับร่างกาย <c oughs> ความจริงที่เราควรจะรู้ก็คือเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้ว <c oughs> เราไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปหวาดเสียวหวาดกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ด้วยห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามให้มันแก่ไม่ได้ แต่เราห้ามใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้ว่ามันมันไม่เป็นเราท่านี้เราก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วสังเกตดูของต่างๆเนี่เวลามันไม่เป็นของเรานี่เรารู้สึกเดือดร้อนไหมบ้านของคนอื่นนี่เราเดือดร้อนไหมยูรถของคนอื่นเดือดร้อนไหมพอมาเป็นบ้านของเราเป็นรถของเราขึ้นมาเดือดร้อนทันทีเพราะเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเรา พออะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันดีอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันไม่อยู่กับเรามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามันก็ทำให้เราทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะเราไปอาศัยมันให้ความสุขกับเรามีรถมันก็จะพาเราไปเที่ยวเราอยากไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเราก็รักรถห่วงรถห่วงรถขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ ไม่มีรถเราไม่เคยใช้รถเราก็ไม่เดือดร้อน mm hmm. อันนี่คือปัญหาของพวกเราเราชอบไปพึ่งสิ่งต่างๆพอพึ่งแล้วเราก็ต้องมาเดือดร้อนกับสิ่งที่เราไปพึ่งเพราะสิ่งที่เราไปพึ่งมันไม่เที่ยงมันไม่คงเดิมมันไม่ดีไปตลอด mm hmm. ของทุกอย่างได้มาแล้วใหม่ๆดี พอ oh, ใช้ไปใช้ไปมันก็ค่อยเสื่อมไปค่อยเสื่อมไปนแล้วก็เริ่มชํมําชารุดสุดโทมแล้วเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้รถใหม่ๆนี้ขับได้ทุกวันเพียงแต่เติมน้ามันเติมน้ํำนะแต่ต่อไปต่อไปเดี๋ยวยางแตกก็ยางเสียแล้วเดี๋ยวที่สตาร์ทเสียแล้วสตาร์ทไม่ติดแล้วเดี๋ยวแอร์เสียแล้วเพราะของมันใช้กับไปเรื่อยๆมันก็ต้อง ชำรุดชุดโทรไปหมดสภาพไปพอมันไม่สามารถทำหน้าที่ตอบสนองความอยากของเราได้มันก็ทำให้เราทุกข์กันเนี่ยความทุกข์ของพวกเราเกิดจากการที่เราต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอเราพึ่งสิ่งนั้นแล้วเราก็รักขวงห่วงสิ่งนั้นขึ้นมาพออะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเราก็ทุกข์เดือดร้อนนขึ้นมา นี่คือปัญหาของพวกเราตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราพึ่งร่างกายอยากให้ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆแต่ร่างกายมันก็มีปัญหาอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ต้องตายกันและวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์มาเดือดร้อนก็คือเราต้องเลิกพึ่งสิ่งต่างๆ เลิกพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเลิกพึ่งเงินทองเลิกพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เอแล้วเราจะเลิกพึ่งได้ยังไงเราก็ต้องหาที่พึ่งใหม่หาที่พึ่งแบบที่ไม่เสื่อมแบบที่ไม่ไม่หมดนซึ่งที่พึ่งใหม่นี้เราไม่มีวันรู้ได้ด้วยตัวของพวกเราเองเราต้องรอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มา คนพบที่พึ่งงานใหม่ที่พึ่งที่จะให้ความสุขให้ความสบายกับจิตใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้มารู้จักที่พึ่งงานใหม่ ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเนี่ยที่คำว่าตัดสะรู้เนี่ยตัดสรู้ก็คือได้รู้จักที่พึ่งอันใหม่ที่พระองค์ทรงหาอยู่เหตุที่พระพุทธเจ้าออกบวชก็เพราะว่าท่านเห็นที่พึ่งอันเก่าใหนี้มันพึ่งไม่ได้เห็นร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพึ่งไม่ได้ต่อไปพอร่างกายแก่เจ็บตายจะไปหาความสุขจากอะไรได้ที่ไหน องก็เลยตัดตัดสินใจสละที่พึ่งเงินเก่าคือร่างกายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็มุ่งไปหาที่พึ่งเงินใหม่ซึ่งในสมัยนั้นก็มีพวกที่แสวงหาที่พึ่งเงินกันคือพวกนักบวชต่างๆนักบวชต่างๆเขาก็หาที่พึ่งเงินใหม่ แล้วที่พึ่งงานใหม่ที่เขาหาได้เป็นที่พึ่งยังไม่สมบูรณ์เป็นที่พึ่งแบบชั่วคราวแต่เป็นที่พึ่งแบบไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆพึ่งความสงบพึ่งความพึ่งการทําใจให้สงบพึ่งการเจริญสติใช้สติมาควบคุมหยุดความคิดของใจพอใจสงบแล้ว ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกมนิ้วไก่แต่ที่ไม่ดีก็ตรงที่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นแบบพักๆเหมือนกับความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเวลาเราไปดูภาพยนตร์ก็เกิดความสุข2องชั่วโมงพอออกจากโงารงภาพยนตร์มาความสุขนั้นก็หายไป พวกนักบวชสมัยก่อนที่พระเจ้าจะตัดสะตุเขาก็หาความสุขจากการเข้าไปในโรงภาพยนต์ของเขาลงภาพยนต์ของเขาก็คือใจหลับตาปิดตาแล้วก็เข้าไปข้างในเข้าไปในใจไปหยุดความคิดปรุงแต่งพอหยุดความคิดปรุงแต่งก็เหมือนเปิดภาพยนต์ฉายให้ดูขณะที่จิตสงบจิตก็จะมีความสุข กำลังที่ควบคุมความคิดให้มันนิ่งมันสงบนี่มันมีจำกัดพอมันหมดกำลังความสงบก็หายไปจิตก็ถอนออกมาเพราะจิตมีตัวที่คอยผลักดันให้จิตออกมาข้างนอกตัวที่ผลักดันให้จิตออกมาข้างนอกคืออะไรก็คือความอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองที่เรียกว่ากามตัณหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นความความผลักดันของกิเลสตัณหาที่จะคอยผลักดันให้จิตนี้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมานักบวชที่ต้องการกลับเข้าสมาธิไปใหม่ก็ต้องเจริญสติใหม่ต้องพุทธโธพุทธโธพุทธโธควบคุมความคิดหยุดความคิดใหม่ พอมีกำลังสติพอก็ไปนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกแล้วเดี๋ยวจิตก็เข้าสู่ความสงบเหมือนกับเข้าไปดูภา พ, พยนตร์ใหม่เห็นไหมเราดูภา พ, พยนตร์เรื่องนี้จบแล้วออกมาเดี๋ยวเดียวหายไปแล้วความสุขมีโรงถัดไปก็เข้าไปดูโรงที่สองเลยก็มีดูมันทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะเวลาไม่ได้ดูแล้วมันหงุดหงิด มันไม่มีความสุขพวกที่เขาหาความสุขจากสมาธิเขาก็จะเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆพอจากสมาธิมาสักพักมันก็เริ่มงดเหน็ดงดเหง็ดก็กลับเข้าไปเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องกลับเข้าไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีใครรู้วิธีว่าทำยังไงให้ใจมีความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบ เวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิอืแล้วไม่รู้ว่าจะกําจัดเห็นนั้นได้อย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าไปศึกษาท่านก็รู้เพียงแต่ท่านก็ได้เรียนรู้วิธีที่ทําใจให้สงบแบบชั่วคราวคือเข้าสมาธิไปแต่พอเวลาใจออกจากสมาธิมาเดี๋ยวใจก็วุ่นวายขึ้นมาไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองน ลองผิดลองถูกในที่สุดก็ค้นพบว่าตัวที่มาทำให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบตอนที่ออกจากสมาธิก็คือตัวความอยากนี่อยากได้นูน่นอยากมีนี่อยากดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากกินนั่นอยากจะกินนี่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมามันก็ทำให้ใจสั่นขึ้นมาใจไม่สงบ พระอุตจาบอกต้องแก้ตัวนี้ให้แก้ตัวความอยากทำยังไงถึงจะทำให้ความอยากมันหายไปก็ลองผิดลองถูกคิดไปคิดมาในที่สุดก็เห็นว่าอ๋อความอยากนี้บางทีให้มันเห็นอะไรบางอย่างที่มันมันเห็นแล้วมันก็จะไม่อยากได้เวลามันเห็นบางอย่างแล้วมันมันจะอยากเช่นให้มันเห็นในสิ่งที่มันชอบมันก็อยากน พอให้มันเห็นสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็หายอยากเช่นเวลามันอยากมีแฟนเนี่ให้มันเห็นศพของแฟนนี่มันก็จะหายอยากให้พิจารณาสุภาษะให้มองมุมกลับถ้าเห็นมุมกลับแล้วมันจะหายอยากเห็นอะไรว่าเป็นสุขต้องมองมุมกลับให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ amen เวลาไม่มีรถนี่เราไม่ทุกช่วยใช้รถของคนอื่นสบายใช้อูเบอร์ใช้อะไรนี่เสียเงินอย่างเดียวไม่ต้องมากังวลกับรถพอไปซื้อรถมาขับเองแล้วทีนี้เริ่มกังวลกับรถละเ<ม>พราะเราไปคิดว่ามันมีรถแล้วจะเป็นสุขอย่างเดียว<ม>แต่ถ้ามองมุมกลับให้มันก็มีความทุกข์นะ ม, มีรถก็ไม่ใช่จะสุขอย่างเดียวนะ จอ ด, ดไว้ก็เสียวแล้วว่าใครจะมาขูดมาขีดหรือเปล่ายิ่งไปรถใหม่จอดไปเดี๋ยวเกิดใครมือบอลมาแกลงเอาเอาหินเอาตะปูมาขีดนะมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแล้วจอดดีๆเดี๋ยวเกิดหายไปใครมาขาโมยไปเนี่ยต้องมองมุมกลับเนี่ยมันจึงทำให้ความอยากได้อะไรหายไป แต่ถ้าไม่มองมุมกลับมันจะอยากเห็นอะไรก็จะดีไปหมดใช่ไแต่ถ้ามองมุมกลับมันมีสองด้านของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านมีด้านดีและมีด้านไม่ดีแต่เราชอบไปมองในด้านดีมองว่ามันเป็นนิ จ, จังสุขขงังอัตตาได้อะไรมาแล้วเราจะมีความสุขไปนานจะเป็นของเราไปนานนานแต่ไม่มองความจริงแล้วมันนานจริงหรือเปล่า บางคนแต่งงานกันไม่ถึงหกเดือนก็หย่ากันก็มีถ้ามันดีจริงทำไมต้องมาหย่ากันก็เพราะมันมาทะเลาะกันไงเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็เอาอกเอาใจกันได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พอมาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนนี่มันเอาใจกันไม่ไหวแล้วนี่มันจะเอาใจกูแล้วเมื่อก่อนก็เอาใจเขาแต่พอ เพราะคนเราส่วนใหญ่ชอบเอาใจตัวเราเองทุกคนต้องยอมรับความจริงอันนี้เราอยู่นี่เราชอบเอาใจตัวเราเอง<ม>พอเราไปอยู่ของคนอื่นพอเราต้องไปเอาใจเขามากๆเราก็ทนไม่ไหวถ้านานๆานทียังพอว่าไงตอนนี้เป็นแฟนกันไม่ได้เจอกันทั้งวันเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นก็เอาใจกันได้เขาเอาใจเราเราเอาใจเขา แต่พอมาอยู่ด้วยกันทั้งวันนี้เราก็อยากจะเอาใจเราเขาก็อยากจะเอาใจเขาพอมันไม่ตรงกันมันก็เลยทะเลาะกันมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ความสุขที่คิดว่าจะเป็นนิจังสุขขังอนต า, าก็กลายเป็นอนิจังทุกขังอนตตาขึ้นมาอันนี้คือวิธีที่พระพุทธเจ้าสงคนพบว่าต้องมองมุมกับ อย่าไปมองมุมด้านเดียวว่าจะดีเสมอจะสุขเสมอจะเป็นของเราเสมอไปความจริงในชีวิตไม่มีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสุขไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเหมือนเดิมไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเสื่อมต้องเปลี่ยนไปเห็นไหมมือถือแต่ละรุ่นเวลาออกมารุ่นใหม่ๆนี่โอ้ย วิเศษวิโสเนี่ยดูตอนที่ไอโฟนรุ่นแรกออกมาเนี่โหขายใครก็อยากจะได้กันนะยืยนเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยเดี๋ยวนี้มีใครไปยังไม่เอาแม้รุ่นแรกเนี่ย <c oughs> มันหมดมันเสื่อมไปแล้วมันมีรุ่นใหม่ที่ดีกว่ามามาเสนอหน้า แต่รุ่นไหนก็ตามเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของเก่าไปมันใหม่เดียวเดียวใหม่แค่ปีเดียวเนทะั้นั้นเดี๋ยวพอรุ่นใหม่ออกมาดีกว่าเก่าแล้วรุ่นเก่าก็หมดเราต้องมองมุมกลับกันแล้วมันจะทำให้เราไม่อยากทำให้เราอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องมีอะไรใจของเรานี่ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราจะมีความสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติ พอไม่มีอะไรมาเกาะกวนจิตใจให้เราวุ่นวายตัวที่มาก่อกวนจิตใจก็คือความอยากสังเกตดูว่าไหนที่ลูกไม่มีความอยากวันนั้นมันดีไม่มันมาลบกวนเราะพอมันอยากขึ้นมาเดี๋ยวมันมารบเราแม่ขอโน่นแม่ขอนี่พอไม่ให้มันมันก็เบิ่งมันก็งอนมันก็ดื้อขึ้นมาแต่พอวันไหนเวลาที่เขาไม่มีความอยากนี่เขาเรียบร้อย เขาไม่มาลบกวนเราอนี่แหละคือปัญหาที่จิตใจเราวุ่นวายกันไม่มีความสุขกันโดยทําให้จิตใจเราต้องไปหานู่นหานี่มาให้ความสุขก็เพราะความอยากนเองพอเกิดความอยากแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แล้วจิตมันเด่นวิธีที่จะทําให้มันอยู่แล้วเฉยๆได้เวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญานี่แหละ เรามองมุมกลับได้ปั๊บความอยากมันก็หายไปเป็นตอนนี้อยากจะไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับหอกให้ไปติดโรคหวัดนะเว้ยความอยากไปกนี่หายไปเลย undercover. ต้องมีอะไรมาคอยสกัดความอยากคือความจริงความจริงก็คือตายรักต้องมองให้เห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่มันมีตายรักทั้งนั้นมันเป็นตายรักทั้งนั้น มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเมื่อมันไม่เที่ยงเวลามันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้มันเที่ยงได้สั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอด นี่คือถ้าเราใช้ปัญญาเป็นไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เวลาเกิดความอยากปุ๊บอยากกินเหล้าก็อา น, นิจังทุกขังอนัตตาพั๊เลิกกินเลยอยากไปเที่ยวก็อา น, นิจังทุกขังอนัตตาถ้าอยากมีแฟนก็ต้องดูอา น, นิจังคือความตายดูสุภะหรือเวลาร่างกายตายไปเวลาร่างกายไม่สวยไม่งามพอ เ, เห็นร่างกายไม่สวยไม่งามมันก็ไม่เอาละะ ต้องดูมุมกลับอย่าไปมุมมองแต่มุมของของความอยากความอยากมันจะเห็นว่าสวยว่าหลอ่อว่าน่ารักได้แล้วจะจะมีความสุขอยู่กับเขาไปสุขไปจนวันตายไม่มีหรอกสุขไม่เกินกี่วันน้ำพึ้งดื่มพระจั น, น์นี่เดี๋ยวไม่กี่วันมันก็แห่เหือดแห้งไปหมดกลายเป็นน้ำขมกลายเป็นยาขมไปนี่ต้องใช้ปัญญา แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วมันยังข่มใจไม่ได้เราก็ต้องมาใช้สติก่อนฝึกสติข่มใจให้มันนิ่งก่อนพอนิ่งแล้วทีนพอใช้ปัญญามันก็จะเวลามีความอยากแล้วมันมาเริ่มสร้างความไม่เป็นสุขให้กับจิตก็ใช้ปัญญาช่วยอีกที่หนึง่งอยากได้อะไรก็มองมุมกลับว่ามันไม่สุขมันไม่สุขไปตลอดมันไม่เหมือนเดินไปตลอด มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีวันการเสื่อมพอมีการเสื่อมมันก็จะมีการมีความทุกข์ตามมาไม่ว่าจะเป็นอะไรของต่างๆที่เราทุกข์กันวันนี้ทุกข์กับอะไรทุกข์กับข้าวของที่เรามีใช่ั้ยของที่ไม่มีเราทุกข์ไหมไม่มีไม่ทุกข์แต่ของมีแล้วทุกข์นี่คนมีลูกกับคนไม่มีลูกนี้ต่างกันไหมคนมีลูกนี้ต้องทุกข์กับลูกเปล่าคนไม่มีลูกต้องทุกข์กับลูกเปล่า แล้วไป ม, มีทำไมก็เพราะไปเห็นว่ามันเป็นสุขไงเห็นเขามีลูกเวลาเราไม่มีลูกเห็นคนเด็่งเ้ามีลูกโ้ยน่ารักเด็กคนนี้น่ารักได้เวลาเขาพาออกมานอกบ้านเขาแต่งตัวสวยๆเวลาเด็กมันได้ออกนอกบ้านมันก็ไม่ดือ้อใช่ไหมมันไม่ มันไม่หงุดหงิดมันยินดีใจมันไม่ได้ออกมามันก็แสดงความสวยงามของมันให้คนอื่นดูคนอื่นเห็นก็อิจฉาอยากจะมีลูกเหมือนเขาเแต่ไม่ดูตอนที่อยู่บ้านเป็นยังไงตอนที่มันดื้อขึ้นมาตอนที่มันอยากทำนู่นทำนี่เราต้องคอยไปห้ามมันนีแล้วมันไม่ยอมนี่โอ้โหเหน็ดเหนื่อยไหมทุกข์ไหมแล้วยังต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูเขาอีกใช่ไหม คนคนหนึ่งเนี่ยกินกวันสามมือต้องคอยหาอาหารมาเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาโตขึ้นงต้องส่งเสียไปโรงเรียนเนี่ยเสียข้าเราเรียนเสียแล้วต้องเสียค่ารถไปรับส่งโอ้ยมีแต่เรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเนแต่ไม่คิดกั น, นไงพอไปเห็นคนอื่นเขามีลูกแต่งตัวสวยๆน่ารักเข อ, อยากจะได้ลูกเหมือนเขาอิจฉาเขา เหมือนเห็นก็เห็นตุ๊กตาเห็นคนอื่นก็มีตุ๊กตาก็อยากจะมีเหมือนเขาแต่ตุ๊กตามันยังดีมันไม่ค่อยมีภาระเท่าไหร่แต่คนนี้มันมีภาระมากดังั้นคนเราขาดปัญญากันไม่ใช้ปัญญาไม่มองมุมกลับกันมองแต่มุมมุมของความอยากพออยากแล้วก็คิดว่ามันจะมีความสุขเวลามีลูกแล้วจะมีความสุข แต่ไม่มองตอนที่จะต้องมาคอยเลี้ยงคอยอะไรต่างๆแล้วเวลาลูกดือ้อเวลาที่สอนแล้วไม่เชื่อไม่ฟังหรือลูกไปทำอะไรให้ตนเองเสียหายไปประพฤติไม่ดีไปโรงเรียนก็ไปเกเรไปมีเรื่องมีราวครูก็ต้องเรียกพ่อแม่ไปเทศให้ฟังว่าลูกของคุณเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วน่าจะให้ทำอย่างไร เนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นน่ถ้ามีอะไรแล้วไม่ใช่จะมีแต่ความสุขดันดอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนเหรียญน่มันมีสองด้านมีด้านดีกับด้านไม่ดีแต่เราชอบมองแต่ด้านดีด้านไม่ดีเราไม่มองกันเราก็เลยมาเสียใจในภายหลังรู้องนี้กูไม่เอาดีกว่ารู้งนี้ไม่มีดีกว่าถ้ามันสายไปแล้วมันมีแล้วจะทาไงมีแล้วจะไปตัดหางปล่อยวันได้ยังไง ก็ต้องทนเลี้ยงกันไปไม่ว่าจะมีอะไรมันจะต้องทำให้เราห่วงทาให้เราห่วงทาให้เรากังวลและเวลาเกิดการพัดภาคจากกันก็ทำให้เราเสียห อ, อกเสียใจร้องหมร้องไห้แทนที่จะดีใจว่าโอ้หมดกองทุกข์ไปกองนึงกลับไปเสียใจกับกองทุกข์ที่เสียไปอีกโง่ตั้งแต่ต้นจนโง่อตอนจบก็ยังมาโง่ออ ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกเวลาเสียไปมันควรจะดีใจโอ้เหมือนมีหนี้แล้วหมดหนี้มันควรจะดีใจใช่ไหมมีลูกคนหนึ่งต้องเลี้ยงต้องจ่ายเงินให้เขากี่ตังค์ได้กันเช้าตื่นขึ้นมาเขาแบงมือขอแล้วมาทวงหนี้นะถ้าเกิดเขาตายไปมันควรจะดีใจใช่ไหมโอ้หมดหนี้ไม่ต้องใช้หนี้นี่กลับมาเสียใจเสียดายนี่ ไม่มองมุมกลับเนียชาบไปมองมุมที่ทําให้ตัวเองทุกข์เนี่ยท่านเรียกว่าโง่อวิชาโง่มองไม่มองไม่เป็นถ้ามองได้ปัญญามันจะเห็นว่ามีอะไรนี่มันทุกข์ทั้งนั้นเวลาไม่มีนี่มันสบายเวลาพัดผ้าจากการนี้ควรจะหัวละควรจะฉลองควรจะดีใจกลับมาล่องห่มร่องไห้เสีย อ, อกเสียใจอีกเพราะไม่มีปัญญามีแต่อวิชา ไปมองคิดถึงตอนที่เขาสวยเขาดีเขางามไอตอนที่ไม่ดีไม่คิดถึงเขาไม่ไปมองส่วนที่ไม่ดีของเขาเวลาเขาจากเราไปแต่เวลาอยู่เขาเนี่ยเห็นแต่ส่วนที่ไม่ดี <c oughs> เราก็ทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์กับเขาเนี่ย <c oughs> นี่เราคิดไม่เป็นเรามองไม่รอบด้านไม่รอบครอบ <c oughs> มองเหรียญด้านเดียว <c oughs> พอไปพลิกเจอเอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็รับไม่ได้ ทุกขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเนี่ยเราต้องมาหัดใช้ปัญญาอย่าไปมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อีกด้านหนึ่งพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาได้ทุกเวลานาทีถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะทำให้เราไม่อยากมีอะไรอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วร่างกายก็ไม่อยากจะมีด้วยต่อไปมอง เมื่อไม่มีอะไรแล้วก็มีร่างกายหมอมันพอมาดูร่างกายร่างกายมันก็ก่องทุกข์อีกใช่ไหมทุกต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกวันทุกข์ที่จะต้องหาที่อยู่อาศัยทุกข์ที่จะต้องป้องกันภัยต่างๆนตอนนี้ก็ทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายมันน่าจะดีกว่าเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นพอไม่เกิดปั๊ไม่มีร่างกายปั๊แล้วจะมีทุกข์กับอะไร ไม่มีอะไรต้องทุกข์อีกต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านถึงไม่เกิดกันคนฉลาดไม่เกิดคนโง่จะชอบเกิดกันชอบฉลองวันเกิดชอบเลี้ยงวันเกิดกันคนฉลาดนี้จะฉลองวันไม่เกิดเพราะวันไม่เกิดนี้จะทําให้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรจะมาพิจารณากันอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเรา อย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเรามันไม่ใช่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะต้องจากเไปคิดว่ามันเหมือนต้นไม้มันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันไม่เจ็บเวลาเชื่อลอกเข้าไปในร่างกายมันไม่เจ็บตัวที่เจ็บคือใจไปไปรับรู้ความเจ็บตัวร่างกายถึงแม้มันจะเจ็บแต่มันไม่มีการรับรู้มันก็เหมือนกับมันไม่เจ็บ แต่ใจที่ไปเกาะติดกับร่างกายเป็นตัวไปรับรู้ความเจ็บของร่างกายเะนั้นวิธีที่จะต่อสู้กับความเจ็บก็คือพยายามทำใจให้สงบพยายามฝึกสมาธินั่งสมาธิเวลาใจสงบใจก็จะไม่ไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายหรือถ้าใช้ปัญญาก็สอนใจอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปมันเจ็บก็หัดสอนใจให้อยู่กับความเจ็บไป อย่าไปมีความอยากอย่าไปมีความอยากให้มันหายอย่าไปมีความอยากที่จะหนีจากความเจ็บพยายามสอนใจว่าความเจ็บเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปแล้วมันจะหายก็ปล่อยให้มันหายไปทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวรแม้แต่ความเจ็บก็ไม่มั่นคงถาวรเกิดได้เดี๋ยวมันก็ต้องดับได้ แต่มันจะเกิดหรือจะดับถ้าใจเราเฉยๆเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่กับความเจ็บได้งั้นมาฝึกสติกันให้มากๆเพื่อทำใจให้นิ่งให้เฉยให้เป็นอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หมดไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายเ้วถ้าเราใช้ปัญญายิ่งจะทำให้เรานิสบายใจขึ้นมาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงแต่ตุกตา ตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่เรามาดูแลรักษาตามอัตภาพดูแลไปตามกำลังของเราเดี๋ยวนที่สุดก็ต้องแยกทางกันไปถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราจะอยู่บ้านได้เราจะไม่วุ่นวายใจเราจะไม่กังวลไม่เครียดถ้ายังไม่มีก็พยายามสร้างกันขึ้นมาสร้างสติสร้างปัญญาเราจะทำให้ เราฟันฝ่าวิกฤตต่างๆได้ไปอย่างสะดวกอย่างสบายนี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวาฮิโตทินัางเปตานังอุปกัปติ อิจิตังปฏติจ um ิาังตุมหังคิปะเมวาสัมมิตาโตสัพเพปเรนโตสังกปายันโทปันาราโสยธามณีโชติ ภราสุยถาสัพ so พิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสานิจังวุฒาปะจายโนจตตารุธรรมาวาทานติ อายุวนโนสุขังภาลางตกลงทีมงานก็จะมาถ่ายทอดถึงแม้ว่าเขาปิดไม่ให้คนขึ้นมาก็จะขึ้นมาถ่ายทอดใช่ไหมเกิดมีคำสั่งทางราชการเขาห้ามไม่ให้คนเข้าอุทยานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน เขาอาจจะไม่ให้คนเข้าออกแต่ทีมงานก็ขออนุญาตเข้ามาเป็นกรณีพิเศษนะเราก็ถ่ายทอดตามปกติไปก็ผู้ติดตามทางบ้านก็ดูทางบ้านไปถ้าเขาไม่ให้เข้ามาก็เปิดดูอาอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ต้องเอาความปลอดภัยกันไว้ก่อนต้องพยายามเอาชนะการแพร่ให้ได้ ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันแพ้เดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวมันก็หมดแรงแต่ถ้ามันมีคนมาแพ้มันก็เหมือนกับมันได้อาหารเพิ่มอะมคนใหม่ก็มีอาหารให้มันกินมีกําลังพอมีกําลังมันก็ไปแพ้ให้กับคนใหม่แต่ถ้าไม่มีการแพ้เดี๋ยวมันก็มันก็ตายไปอยู่ในร่างกายก็ถูกร่างกายจัดการเห็นตอนนี้ก็อาจจะต้องไม่สามารถที่จะ เจอกันด้วยตัวก็เจอกันผ่านทางหน้าจอก็ล้กันช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวชัดเป็นช่วงที่สะดกวกเพราะเวลาเลิกแล้วจะต้องมีการทำอะไรต่างๆเองจะไม่สะดวกต่อการถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทเอซบุห้าร้อยหกสิบเจ็ดทยสางร้อยแปดสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์สิบห้า 1, 15, รับฟังข้างบนนี้สี่สิบสองคนรวมทั้งหมดหนึ่งพันห้าคนครับส่วนใหญ่ก็ดูทางบ้านกันอยู่แล้วคนที่มาที่นี่เฉลีย่ยวันละถ้ารวมทั้งเสาทิดเฉลี่ยกันก็ประมาณวันละร้อย แต่คนทางบ้านนี่ก็ประมาณเก้าร้อยต่อวันถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากผู้ฝากถามภาวนาพุโทโธพุทหายใจเข้าโทหายใจออกหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเลยทำอย่างไรดีครับได้ทั้งสองอย่างอชอบชอบอย่างไหนก็ทำอย่างนั้นไปถ้าดูลมบางทีมันไม่สะดวกก็เอาพุโทโธอย่างเดียว พุโทโธนี้ทำได้ในทุกียรยาบทไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรแต่ถ้าจะดูลมนี้มักจะต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิแล้วค่อยดูลมแล้วก็พุโทโธไปแต่ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้พุทเข้าโธออกก็ได้ <c oughs> คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ ช่วงนี้หนูชอบไปป่นเพื่อนไปแนะนำในสิ่งที่เขาไม่ได้ขอแต่พอได้สติมาก็ทบทวนตัวเองที่เป็นแบบนี้เพราะกิเลสชักพาจิตให้ส่งจิตออกมาทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องดูกายดูจิตของตัวเองกาบเรียนถามว่าหนูควรแก้สภาวะแบบนี้อย่างไรคะก็ต้องมีสติก่อนจะพูดอะไรก็ต้องมีสติรู้ว่าเรากำลังจะพูดอะไร แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนจะพูดหรือไม่ควรจะพูดพูดไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายก็อย่าพูดดีกว่าคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ครับหนูตั้งใจว่าจะมีสติในการคุยแต่พอเริ่มคุยจิตก็เริ่มปรุงแต่งไปเรื่อยๆตามความคิดหนูควรแก้ไขอย่างไรครับก็พอปรุงแต่งก็ใช้พูดโทแทนเนี่ยหดึ่งมันกลับมา มันจะปรุงแต่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธสู้กับมันไปคําถามจากคุณเอูผู้ที่นิพพานไปแล้วสามารถมาชุดช่วยมนุษย์โลกหรือผู้ที่ยังไม่ทุกข์หรือจิตตะวิญญาณอื่นได้หรือไม่ครับเขาไม่มาแล้วล่ะเพราะเขามาเขาต้องใช้ร่างกายเขาเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์เขาตัดตัวที่จะไปดึงจิตให้เขามามีร่างกายแล้วเขาก็จะไม่มามีร่างกายกต่อไป แต่เขาอาจจะสามารถติดต่อกับจิตบางจิตได้ในกรณีที่เป็นกรณีพิเศษคือจิตของผู้รับก็ต้องสามารถรับจิตของผู้ส่งได้แล้วจิตของผู้ส่งกับผู้รับอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกันมาก่อนในอดีตทำให้ยังมีความผูกพันกันอยู่เหมือนจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพุทธมารดาก็เป็นจิตสองจิต แต่เคยมีความผูกพันพระพุทธเจ้ายังคิดถึงแม่อยู่ก็เลยใช้จิตของท่านค้นหาว่าแม่อยู่ที่ไหนพอติดต่อกันได้ก็สแสดงธรรมโปรดพุทธมานนาได้แต่ถ้าไม่มีความผูกพันกันมาไม่รู้จักกันไ ม, ไม่รู้ว่าเขาอยากจะฟังธรรมหรือเราไม่ไปยุ่งกับเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็เตะเอาฉะนั้นสาหรับผู้ที่นิพพานแล้วจะไม่กลับมายุ่งกับคนอีกแล้ว นอกจากคนอยากจะติดต่อกับท่านแล้วมีความผูกพันกันในกรณีพิเศษก็อาจจะติดต่อกันได้เช่นหลวงปู่มั่นท่านก็ล่าว่าท่านมีพระพุทธเจ้าพระ้าหันมาแสดงธรรมมาสนทนาธรรมกับท่านอยู่แต่ไม่มีในพระไตรปิฎกเนะี่ยเพราะในพระไตรปิฎกเขาถือว่าพรหมพานแล้วก็จบไม่มีการติดต่อกับไปพบอีกต่อไปยุดในตายพบอีกต่อไปแต่ ในในจิตของผู้ปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระปารายพิฎกไม่ได้พูดก็ไม่ก็ไม่ได้แสดงว่าจ ะ, จะไม่มกีการที่พระพระไตพิดกไม่พูดนี้อาจจะท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่เป็นสาระที่ควรจะพูดท่านก็ไม่พูดก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เคยเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วว่ า, าท่านหยิบใบไม้ขึ้นมากรรมมือหนึ่งแล้วถามพระว่า ใบไม้ในกํามือนี้กับใบไม้ในป่านี้ส่วนไหนจะมากกว่ากันพราก็บอกว่าในกํามือมันจะมากกว่าใบไม้ในป่าได้ยังไงเอขาเจ้าก็บอกนั่นแหละคําสั่งสอนของเราที่พวกเธอบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ยก็เหมือนใบไม้ในกํามือแต่ความรู้ของเราที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจนี้มันเหมือนกับใบไม้ในปาน่ามันมีเยอะแยะที่ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟัง ดังนั้นการที่ไม่มีในพระไตยปิฎกนี้ไม่ได้เป็นการเป็นการตัดสิทธิ์ของความจริงที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติอาจจะเห็นอะไรรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในพระไตยปิฎกคำถามจากคุณพิสิทธ์หาก ต้องการที่จะบวชเพราะปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ระหว่างวัดป่ากับวัดบ้านควรจะอยู่ที่ไหนขอหลวงพ่อชี้แนวทางได้ครับอันนี้เราพูดไม่ได้หรอกคุณต้องไปทดสอบเอาเองเดี๋ยวหาวัดชี้พวกเดียวกันไปลองดูทั้งสองที่ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าหากเราบวชแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้บุญไปกับเราจริงไหมครับยังไม่ได้แล้ว จะได้ก็ตอนที่เราบรรลุธรรมแล้วมาแสดงธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วเขาเกิดมีดวงตาเห็นตามทำตามเราเขาก็จะได้บุญตามเราทำคำถามจะคุณตีคัตนาตอนนี้ทุกคนคงมีโรคทางจิตวิญ ญ, ญาณเกี่ยวกับโรคโควิดอยากน้อมคำสอนการรักษาโรคทางจิตวิญ ญ, ญาณวิธีใดที่ทุกคนจะป้องกันความทุกข์ และเห็นทุกข์ได้ทันก่อนจะเป็นโรคและจะรักษาความกลัวความกังวลความกลัวในร่างกายสังขารนี้ได้อย่างไรให้ถาวรตลอดไปเจ้าคะ่ะก็เนี่ยที่แสดงไปก่อนหน้านี้ชั่วโมงเนึ่นนก็กลับไปฟังดูแล้วกันเป็นวิธีที่จะทำให้ใจเราสงบใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับความเป็นความตายของร่างกาย คำถามจากคุณเวลาที่ผ่านไปการทำบุญจำเป็นต้องเลือกวัดเลือกพระไหมครับก็เหมือนไปโรงเรียนต้องเลือกโรงเรียนหรือเปล่าใช่ไหมเลือกไหมทำไมไปเรียนสาธิตจุลาทำไมไปเข้าจุลาไปเข้ามหิดลก็เพราะว่าสถาบันการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกัน วัดจะเหมือนกันวัดจะมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันในการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็ต้องเลือกวัด <c oughs> เลือกสถานที่เราจะไปทำบุญ <c oughs> ไปศึกษาแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราเพียงแต่อยากจะไปสร้างโบสถ์ให้กับวัดที่ไม่มีก็ไปสร้างได้อยากไปสร้างกุฏิให้กับวัดที่เขาไม่มี <c oughs> ก็ไปสร้างได้ <c oughs> วัดไหนก็ได้ที่เขาขาดแคลนก็ไปสร้างให้เขาไป แต่ถ้าไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมนี้ต้องเลือกวัดไปคำถามจะคุณสุปชัยความหมายของคำว่าเจโตปริย า, ยานคืออะไรครับเราก็ไม่รู้หรอกนนี้ต้องลอาไปเปิดดูใน g o เกิลนี่กว่าคำถามจะคุณเตชินขออุบายวางจิตใจในการบริหารทีมงานหลายคนครับ ออขั้นต้นก็ต้องมีสติมีจิตใจที่เย็นแล้วก็ใช้เหตุผลว่าเป้าหมายของการทำงานของเราคืออะไรเราต้องการอะไรจากทีมงานเราก็บอกจุดยืนของเราให้เขาท ร, ราบแล้วก็ให้เขาทำตามที่เราต้องการถ้าเขาไม่สามารถทำได้เราก็ต้องคัดเขาออกไปถ้าเขาทำได้เราทำดีเราก็อาจจะ ให้กําลังใจเขาด้วยการให้เงินเดือนเขาอะไรไปแต่ต้องมีความคือจะว่าความความเมตตาต้องมีแต่การให้ตอบแทนอาจจะต่างกันไปตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนได้ไม่ถือว่าเป็นการเลือกที่ลักมากที่ฉังดูดูผลงานของเขาคนไหนมีผลงานดีก็ให้ การรางวัลตอบแทนมากขึ้นคนที่ไม่มีผลงานดีก็ให้น้อย อ, อันนี้คำถามจากคุณครูตอนนี้ต้องตามข่าวแต่ก็รู้ว่าบางทีตามมากไป กลาคืนเลยพยายามอ่านหนังสือกายคาตาสติของหลวงตาที่ได้จากพระอาจารย์ดูรูปของร่างกายแล้วคิดถึงสภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในขณะนี้จะใช้ได้ไหมครับและจะน้อมเข้ามาคิดถึงตัวเองได้อย่างไรครับก็ดูบ่อยๆแล้วก็คิดบ่อยๆดีแล้วละ่ะดูข่าวๆพอพอสมควรพอรู้ว่าอะไรครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วสิบห้านาทีก็พอรู้เรื่องแล้วแล้วก็กลับมาดูความจริงดีกว่า ข่าวาวในโลกนี้เป็นโลกสมมุติ เ, เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรามาดูความจริงของร่างกายดีกว่ามันจะทำให้ใจเรามีที่ยึดที่เกาะจะทำให้ใจเรานิ่งสงบไม่วุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงของทางโลกคำถามจากคุณพิสิทธ์พระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าใช่พระองค์เดียวกันไหมครับ พระโพธิสัตว์ก็คือยังไม่ได้ตัดสรลุผู้แสวงหาการตัดสรลุด้วยตนเองเรียกว่าพระโพธิสัตว์พอตัดสรลุแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนภาษาวกนี้ไม่ได้แสวงหาการตัดสรลุได้ด้วยตนเองแต่แสวงการตัดสรลุจากการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกจริงๆก็มีสองแนวทางของการที่จะตัดสัลุเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระหลานก็คือหาศึกษาด้วยตนเอง พราะไม่มีครูสอนก็เป็นพระโพธิสัตว์พอตัดสั้นู้พอเรียนจบก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนพวกที่มีครูอยู่แล้วมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นโ พ, พธิสัตว์ก็เป็นพระสาวกไปเป็นผู้ศึกษาร่มเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์สาวกต่อไปคําถามจะคุ้นดินน้ําลมไฟ พอคิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างแล้วหัวใจเชื่อพระพุทธศาสนาเต็มร้อยแล้วเวลานอนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่สวดมนต์เลยครับเดี๋ยวนี้ทําแบบนี้ถูกไหมครับการสวดมนต์มันเป็นการฝึกสติถ้าเราต้องการสติเราก็ต้องสวดถ้าเราต้องการความสงบ응การระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถ้าเรามีความศรัทธาแล้วเราจ ะ, ระลึกก็ได้ไม่ดัดลกก็ได้ คำถามจากคุณสุพชัยถ้าเราฝากปัจจัยไปถวายพระเราจะได้รับบุญไหมครับได้แต่พระจะได้รับปัจจัยหรือไม่ก็ไม่รู้อยู่ที่คนที่เอาไป <c oughs> <c oughs> แต่คนให้ได้บุญอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงมือพระก็ตามคนให้ก็ยังได้บุญอยู่เพราะคนให้ได้บุญจากการเสียสละส่วนคนรับนี่อาจจะไม่ได้บุญจากการได้รับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นกรรมของคนนับไปใช<จาก>่ก่อนอาจจะไปขโมยเงินใครเข้ามาก่อนจช่นี้เลยต้องถูกคนอื่นเข้ามาขโมยเงินไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ยึดติดกับเงินที่ญาติโยมส่งมาให้อย่าไปเถอว่าเป็นของพระถ้ามาไม่ถึงมือก็ถือว่าไม่ใช่เป็นบุญของพระก็แล้วกันเถอว่าเป็นกรรมของพระเคยไปทําบาปมาในอดีตก็เลยต้องใช้บาปไป ไม่ให้ยึดติดในเงินที่ญาติโยมส่งมาให้หรือ <c oughs> ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปให้คิดอย่างนี้ <c oughs> หมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ